8. ปอธรรมวัรหนึ่งชักคติกถา 73. ว่าด้วยคติห5ห3ส ก, กวาทีคติมีหใช่ไหมประวาทีใช่ส ก, กวาทีคติพระผู้มีพระภาคตรัสไว้หอย่างคือนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานภูมิแห่งเปรตมนุษย์เทวดามิใช่หรือ ปรวาทีใช่สกวาทีหากคติพระผู้มีพระภาคกรัดไว้ห้าอย่างคือนรกกำเนิดดิบรฉชานภูมิแห่งเปรตมนุษย์เทวดาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าคติมีหกสกวาทีคติมีหกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอสูรจำพวกกาละกันชิกา มีรูปร่างเหมือนกันมีการเสพกาเหมือนกันมีอาหารเหมือนกันมีอายุเหมือนกันกับเปรตทั้งหลายและแต่งงานกับเปรตทั้งหลายได้มิใช่หรือปะรวาทีใช่สกวาทีหากอสูรจาพวกกาละกันชิกามีรูปร่างเหมือนกันมีการเสพกาเหมือนกันมีอาหารเหมือนกันมีอายุเหมือนกันกับเปรตทั้งหลายและแต่งงานกับเปรต ทั้งหลายได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าคติมีหกสกวาทีคติมีหใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพวกอสูรที่เป็นบริวารของเท้าเวปจิตติมีรูปร่างเหมือนกันมีการเสพการเหมือนกันมีอาหารเหมือนกันมีอายุเหมือน ก, นกันกับเทวดาทั้งหลาย และแต่งงานกับเทวดาทั้งหลายได้ม่ใช่หรือประวาทีใช่ส ก, กวาทีหากพวกอสูรที่เป็นบริวารท้าเวปป จ, จิตติมีรูปร่างเหมือนกันมีการเสพการเหมือนกันมีอาหารเหมือนกันมีอายุเหมือนกันกับเทวดาทั้งหลายและแต่งงานกับเทวดาทั้งหลายได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าคติมีหกสกวาที คติมีหกใช่ไหมประวาทีใช่ส ก, กวาทีพวกอสูรที่เป็นบริวารของท้าเวปจิตติเป็นเทวดามาก่อนมิใช่หรือประวาทีใช่ส ก, กวาทีหากพวกอสูรที่เป็นบริวารของท้าเวปจิตติเป็นเทวดามาก่อนท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าคติมีหกห้าร้ปรวาที ท่านไม่ยอมรับว่าคติมีหใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีอสุ ร, รกายมีมิใช่หรือสกวาทีใช่ประวาทีหากอสุ ร, รกายมีดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าคติมีหกฉากคติกถาจบ 2. อ, อันตราภาวะกถาเจ็ว่าด้วยอันตรภพบ ห้าร้อกวาทีอันตรภพบหมายถึงพบที่อยู่ในระหว่างตายกับเกิดมีอยู่ใช่ไหมปราวาทีใช่ักกวาทีเป็นกามาพใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีอันตรภพบมีอยู่ใช่ไหมปราวาทีใช่ักวาทีเป็นรูปประพบใช่ไหมปราวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นรูปประพบใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอันตรภพบมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีเป็นอรูปประพบใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอันตรภพมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่ สกวาทีอันตรภพบมีอยู่ในระหว่างการมาพกับรูปประพบใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอันตรภพบมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่ іть. สกวาทีอันตรภพบมีอยู่ในระหว่างรูปประพบกับอรูปประพบใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีอันตรภพบไม่มีในระหว่างกามาพกับรูปภพบใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากอันตรภพบไม่มีในระหว่างกามาพกับรูปภพบท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าอันตรภพบมีอยู่สกวาทีอันตรภพบไม่มีในระหว่างรูปภพบกับอรูปภพบใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที หากอันตรภพบไม่มีในระหว่างรูปภพบกับอรูปภปพบท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าอันตรภพบมีอยู่ห้กสกวาทีอันตรภพบมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่ส ก, กวาทีอันตรภพบนั้นจัดเป็นกำเนิดที่ห้าเป็นคติที่หกเป็นวิญญาณนาิติที่แปด เป็นสัตาวาทที่สิบใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอันตรภพบมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอันตรภพบจัดเป็นภพเป็นคติเป็นสตาวาเป็นสงสารเป็นกำเนิดเป็นวิญญาณทิติเป็นการได้อัตภาพใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาธีกรรมที่ให้เข้าถึงอันตรภพบมีอยู่ใช่ไหมปรวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีสัตว์ผู้เข้าถึงอันตรภพมีอยู่ใช่ไหมปรวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีอันตรภพมีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาตีอันตรภพบมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรวาตีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาตีอันตรภพบเป็นพบที่มีขันห้าใช่ไหมปรวาตีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้า้เจ็ดสกวาตีกามาพมีอยู่กามาพเป็นพบเป็นคติเป็นสัตตาวาเป็นสงสาร เป็นกําเนิดเป็นวิญญาณติติเป็นการได้อัตภาพใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอันตรภพบมีอยู่อันตรภพบเป็นภพบเป็นคติเป็นสตาว่าเป็นสงสารเป็นกําเนิดเป็นวิญญาณติติเป็นการได้อัตภาพใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาตีกรรมที่ให้เข้าถึงกามาพบมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกรรมที่ให้เข้าถึงอันตรภพบมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัตว์ผู้เข้าถึงกามาพบมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัตว์ผู้เข้าถึงอันตรภพบมีอยู่ใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในกามาพมีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอันตรภพบมีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที ในกามาพบมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอันตรภพบมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีการมาพบเป็นพบที่มีขันห้าใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที อันตรภพเป็นภพบที่มีขันหาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปภพบมีอยู่รูปภพบเป็นภพบเป็นคติเป็นสัตตาวาตเป็นสงสารเป็นกำเนิดเป็นวิญญาณทิติเป็นการได้อัตภาพใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอันตรภพพมีอยู่อันตรภ พ, พบเป็นภพบ เป็นคติเป็นสตาวาตเป็นสงสารเป็นกำเนิดเป็นวิญญาณติติเป็นการได้อัตภาพใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกรรมที่ให้เข้าถึงรูป ภ, ภพมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกรรมที่ให้เข้าถึงอันตรภพมีอยู่ใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัตว์ผู้เข้าถึงรูปภ พ, พมีอยู่ใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีสัตว์ผู้เข้าถึงอันตรภพมีอยู่ใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในรูปภพมีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิตนทิใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาที อันตรภพมีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในรูปภพบมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในอันตรภพบมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปประพบเป็นภพที่มีขันห้าใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอันตรภพบเป็นภพที่มีขันห้าใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอรูปปพบมีอยู่อรูปปพบเป็นภพเป็นคติเป็นสตาว่าเป็นสงสารเป็นกำเนิดเป็นวิญญาณทิติ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 ใช่สกวาทีกรรมที่ให้เข้าถึงอันตรภพบมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัตว์ผู้เข enfin. ้าถึงอรูปภพบมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัตว์ผู้เข้าถึงอันตรภพบมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีในอรูปภพบมีสัตว์เกิด แก่ตายจุติปฏิสนทิใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในอันตรภพบมีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนทิใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในอรูปภพบมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมประวาทีใช่สกวาที ในอันตรภพพมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอรูปภพบเป็นภพบที่มีขันธ์สี่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอันตรภพเป็นภพบที่มีขันธ์สี่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าร้อสกวาที อันตรภพมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัตว์ทั้งปวงนั่นแหละมีอันตรภพบใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัตว์ทั้งปวงนั่นแหละไม่มีอันตรภพบใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากสัตว์ทั้งปวงนั่นแหละมไม่มีอันตรภพบท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าอันตรภพบ มีอยู่ักวาธีอันตรภพบมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่ักวา ธ, บคคาาธีบุคคลผู้ทำ อ, อันตริสกวาธีบุคคลผู้ทำอนันตริยกรรมมีอันตรภพบใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีบุคคลผู้ทำอนั น, น, นตริยกรรมไม่มีอนันตรภพบ KAR? ใช่ไหม สักวาทีบุคคลผู้ทำอนันตริยกรรมไม่มีอันตรภพบใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีหากบุคคลผู้ทำอนันตริยกรรมไม่มีอันตรภพบท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าอนันตรภพบมีอยู่สักวาทีบุคคลผู้ไม่ทำอนันตริยกรรมมีอันตรภพบใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาที บุคคลผู้ทำอนันตเรียกรรมมีอันตรภพบใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ทำอนันตเรียกรรมไม่มีอันตรภพบใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ไม่ทำอนันตเรียกรรมไม่มีอันตรภพบใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้เข้าถึงนรกผู้เข้าถึงอสัญญสัต ผู้เข้าถึงอรูปภพมีอันตรภพใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีบุคคลผู้เข้าถึงอรูปภพไม่มีอันตรภพใช่ไหมพระวาทีใช่สักวาทีหากบุคคลผู้เข้าถึงอรูปภพไม่มีอันตรภพท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าอันตรภพมีอยู่สักวาที บ, บุคคลผู้ไม่เข้าถึงอรูปภพมีอันตรภพใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้เข้าถึงอรูปภพมีอันตรภพใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้เข้าถึงอรูปภพไม่มีอันตรภพใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ไม่เข้าถึงอรูปภพไม่มีอันตรภพใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้ารปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าอันตรภพบมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่อันตราปรินิพพายีบุคคลมีอยู่ไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากอันตราปรินิพพายีบุคคลมีอยู่ท่านจึงควรยอมรับว่าอันตรภพบมีอยู่ สักวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าอันตรปาปรินิพพายีบุคคลมีอยู่จึงยอมรับว่าอันตรภพบมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สักวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าอุปาหัจัปรินิพพายีบุคคลมีอยู่จึงยอมรับว่าอุปาหจัพบมีอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ักาวาทีพระท่านเข้าใจว่าอันตราปรินิพพายีบุคคลมีอยู่จึงยอมรับปะอันตรภพมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่จักาวาทีพระท่านเข้าใจว่าอสังขารปรินิสกาวาทีพระท่านเข้าใจว่าอสังขารรัปรินิพพายีบุคคลมีอยู่สสังขารรัปรินิพพายีบุคคลมีอยู่ จึงยอมรับว่าสัจสังขารพบมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอันตราพวกคถาจบ 3. กามคุณคาถา75ว่าด้วยกามคุณห้าสิั ก, กวาทีกามคุณห้าเท่านั้นเป็นกามาธาตุใช่ไหมปรวาทีใช่สั ก, กวาที ความพอใจที่เกี่ยวกับกามคุณห้านั้นมีอยู่ใช่มิใช่หรือสกวาทีความพอใจที่เกี่ยวกับกามคุณห้านั้นมีอยู่ไม่ใช่หรือปรวาธีใช่สกวาทีหากความพอใจที่เกี่ยวกับกามคุณห้านั้นมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ากามคุณห้าเท่านั้นเป็นกามาธาตุสกวาทีความกำหนัดความพอใจ ความพอใจและความกำหนัดที่เกี่ยวกับกามคุณห้านั้นความดําริความกำหนัดความดําบริและความกำหนัดที่เกี่ยวกับกามคุณห้านั้นปีติโสมนัสปีติและโสมนัสที่เกี่ยวกับกามคุณห้านั้นมีอยู่มิเช่หรือปราวาทีใช่สกวาทีหากปีติและโสมนัสที่เกี่ยวกับกามคุณห้านั้นมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า กามคุณห้าเท่านั <os ivering> <ises> yeah. ้นเป็นกามาธาตุักวาธีกามคุณห้าเท่านั้นเป็นกามาธาตุใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธีจักษุของมนุษย์ไม่เป็นกามาธาตุใช่ไหมปรวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีโสตคานะชิวหากายมโนของมนุษย์ไม่เป็นกามาธาตุใช่ไหม ประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมโนของมนุษย์ไม่เป็นกามมาธาใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่ากามคุณห้าอันมีใจเป็นที่หกซึ่งมีอยู่ในโลกเราประกาศไว้ชัดเจนแล้วสัตว์โลกคลายความพอใจในกามคุณห้านี้ได้ ยอมพ้นจากทุกข์ได้ด้วยวิธีดังกล่าวนี้มีอยู่จริงวิเชิ่หรือประวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่ามโนของมนุษย์ไม่เป็นกาม า, กาธาห้าร้อยสกวาทีกามคุณห้าเท่านั้นเป็นการมาธาใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกามคุณเป็นพบเป็นคติ เป็นสัตาว่าเป็นสงสารเป็นกำเนิดเป็นวิญญาณทิติเป็นการได้อัตภาพใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีกรรมที่ให้เข้าถึงกามาคุณมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีสัตว์ผู้เข้าถึงกามาคุณมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาที ในกามคุณมีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีในกามคุณมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีกามคุณเป็นภพที่มีขันห้าใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีในกามคุณมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายพระปัเจกพุทธเจ้าทั้งหลายคู่พระอัการสาวกอุบัตขึ้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกามทธาตุเป็นภพเป็นคติเป็นสัตตาว่าเป็นสงสารเป็นกำเนิดเป็นวิญญาณทิติเป็นการได้อัตภาพใช่ไหมประวาทีใช่ สักวาทีกามาคุณเป็นพบเป็นคติเป็นสัตาว่าเป็นสงสารเป็นกำเนิดเป็นวิญญาณทิติเป็นการได้อัตพภาพใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีกรรมที่ให้เข้าถึงกรรมามาธาตุมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สักกวาทีกรรมที่ให้เข้าถึงกามคุนมีอยู่ใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักาวาทีสัตว์ผู้เข้าถ <Lawrence, right? S 2> ึงกามาธาตมีอยู่ใช่ไหมปราวาทีใช่ักาวาทีสัตว์ผู้เข้าถึงกามคุณมีอยู่ใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักาวาทีในกามาธาตมีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปราวาทีใช่ักาวาที กามคุณมีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีในการมาท่ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมประวาทีใช่สักวาทีในกามคุณมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหม ประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกามาธาตเป็นภพที uh, Listen, nice ่มีขันห้าใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีกามคุณเป็นภพที่มีขันห้าใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในกามาธาตมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย คู่พระอักษรสาวกอุบัติขึ้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในกามคุณมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายพระปัเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายผู้พระอักษรสาวกอุบัติขึ้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น512ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่ากามคุณห้าเท่านั้นเป็นกามาธาตุใช่ไหม สกวาตใช่ปราวาตีประสูนที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายกามคุณห้าประการนี้กามคุณห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจชวนให้รักชักให้ใครพาใจให้กำนัด 2. เสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู 3. กลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก 4. รสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น 5. ้าโภทพะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่ภาใจให้กำนัดภิสษุน์ทั้งหลายกามาคุณห้าประการนี้มีอยู่จริงมิใช่หรือสกวาทีใช่ ปรวาทีดังนั้นกามคุณห้าเท่านั้นจึงเป็นกามธาตุกามคุณนกถาจบ 4. กามกถา76ว่าด้วยกาม513ร ส, ส, สกรวาทีอายตนะห้าเท่านั้นเป็นกามใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความพอใจที่เกี่ยวกับอายตนะห้านั้น มีอยู่ไม่ใช่หรือประวาทีใช่จักวาทีหากความพอใจเกี่ยวกับอายตนะห้านั้นมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าอายตนะห้าเท่านั้นเป็นกามสักวาทีความกําหนัดความพอใจความกําหนัดและความพอใจที่เกี่ยวกับอายตนะห้านั้นความดําริความกําหนัดความดําริและความกําหนัดที่เกี่ยวกับอายตนะห้านั้น ปีติโสมณัตปีติและโสมนัตที่เกี่ยวกับอายตนะห้านั้นมีอยู่มีใช่หรือประวาทีใช่สกาวาทีหากปีติและโสมนัตที่เกี่ยวกับอายตนะห้านั้นมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าอายตนะห้าเท่านั้นเป็นกาม514ประวาทีท่านไม่ยอมรับว่าอายตนะห้าเท่านั้นเป็นกามใช่ไหม ักวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายกามาคุณห้าประการนี้ห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาเป็นต้นและห้าโพธะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร พาใจให้กำนัดภิกษุทั้งหลายกามคุณห้าประการนี้มีอยู่จริงไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นอายตนะห้าเท่านั้นจึงเป็นกามสกวาธีอายตนะห้าเท่านั้นเป็นกามใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธีประสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลาย กามคุณห้าประการนี้กามคุณห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาเป็นต้นละและหโพธิภพที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจชวนให้รักชักให้ใครพาใจให้กำนัดภิกษุทั้งหลายกามคุณห้าประการนี้ภิกษุทั้งหลายแต่จริงเหล่านี้ ไม่เรียกว่ากามจิงเหล่านี้เรียกว่ากามคุณในอริยวินัยคือพระผู้มีประภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสเวยากรนาภาษิตนี้แวะแล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าสังกับปราระของบุรุษชื่อว่ากามอารมณ์ที่วิจิตทั้งหลายในโลกไม่ชื่อว่ากามสังกัปรารชของบุรุษชื่อว่ากามอารมณ์ที่วิจิตทั้งหลายในโลก ตั้งอยู่ตามสภาพของตนเท่านั้นแต่ทีระชนทั้งหลายยอมกำจัดความพอใจในอารมณ์ที่วิจิตเหล่านั้นมีอยู่จริงมิใช่หรือประวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าอายตนะห้าเท่านั้นเป็นกามกามกถาจบห้า รูปปะทาธาคกถาเจ็ดเจว่าด้วยรูปปทัทธาห้าอสิบหากวาทีสภาวธรรมที่เป็นรูปเป็นรูปปะทาาใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปเป็นภพเป็นคติเป็นสัตตาวาเป็นสงสารเป็นกำเนิดเป็นวิญญาณติติเป็นการได้อัตภาพใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีกรรมที่ให้เข้าถึงรูปมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัตว์ผู้เข้าถึงรูปมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในรูปมีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที ในรูปมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปเป็นภพที่มีขันหา้าใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปประธาตเป็นภพเป็นคติเป็นการได้อัตภาพใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปเป็นภพเป็นคติ เป็นการได้อัตภาพใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกรรมที่ให้เข้าถึงรูปประธาตมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกรรมที่ให้เข้าถึงรูปมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัตว์ผู้เข้าถึงรูปประธาตมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที สัตว์ผู้เข้าถึงรูปมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในรูปปัทถามีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในรูปมีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที ในรูปประทัดมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีในรูปมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีรูปประทัดเป็นภพที่มีขันหา้าใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาที รูปเป็นภพที่มีขันหา้าใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าสิบหกกวาทีสภาวะธรรมที่เป็นรูปเป็นรูปประธาต์ในกามธาต์มีรูปใช่ไหมปร ว, รวาทีใช่สกวาทีกามธาต์กับรูปประธาต์เป็นอันเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที กามาธาตุกับรูปธาตุเป็นอันเดียวกันใช่ไหมปรวาทีใช่ส ก, กวาทีบุคคลผู้ประกอบด้วยกามาพชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยพบสองคือกามาพและรูปประพบใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นรูปธาตุรูปธาตุกถาจบ 6. อรูปธาตุกถาส หกอรู ป, ปราธาตุกถา .78 ว่าด้วยอรูปธปาตุห้าร้อยจ็ดกวาทีสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นอรูปธาตุใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีเวทนาเป็นพบเป็นคติเป็นสัตตาว่าเป็นสงสารเป็นกำเนิดเป็นวิญญาณทิติเป็นการได้อัตภาพใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกาวาทีกรรมที่ให้เข้าถึงเวทนามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีสัตว ah ์ผู foods, ้เข้าถึงเวทนามีอย e, ู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั <alternatives> ้นสกาวาทีในเวทนามีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีในเวทนา มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเวทนาเป็นภพที่มีขันห้าใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอรู ป, ปราธาตุเป็นภพเป็นคติเป็นการได้อัตภาพใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีเวทนาเป็นภพเป็นคติ เป็นการได้อาาัตภาพใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกรรมที่ให้เข้าถึงอรูปธาตุมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่ ส, ก ว, ส, ก, วสกวาทีกรรมที่ให้เข้าถึงเวทน า, ปปามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัตว์ผู้เข้าถึงอรูปธาตุมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาทีสัตว์ผู้เข้าถึงักวาทีสัตว์ผู้เข้าถึงเวทนามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีในอรูปประธาตมีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีในเวทนามีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในอรูปธาตมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในเวทนามีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอรูปธาตเป็นภพที่มีขันตีใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาทีเวทนาเป็นภพที่มีขันธ์สี่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น518สิบกวาทีสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นอรูปธาตุในกามาธาตุมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกามาธาตุกับอรูปธาตุเป็นอันเดียวกันใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกามาธาตุกับอรูปธาตุเป็นอันเดียวกันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ประกอบด้วยกามาพชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยพบสองคือกามาพและอรูปประพบใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นรูปเป็นรูปธปาตุ สภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นอรูปธาตุในกามาธาตมีรูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกามาธาตุรูปธาตุและอรูปธาตุเป็นอันเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกามาธาตุรูปธาตุ และอรูปธาตุเป็นอันเดียวกันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ประกอบด้วยกามาพบชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยภพสามคือกามาพรูปประพบและอรูปประพบใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอรูปธาตุคถาจบ 7. รูปาธาตุยาอายตนะคถา79ว่าด้วยอายตนะในรูปาธ 19, าตุห้าร้อยสกวาทีอัตภาพประกอบด้วยอายตนะหกมีอยู่ในรูปาธป า, ธ า, ธป า, ธ า, าตนะุใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในรูปธาตุนั้นมีคานายตนะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที ในรูปประทัดนั้นม Iraq, Case, ีคันทายตนะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในรูปประทัดนั้นมีจิวหายะตนะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในรูปประทัดนั้นมีรษายตนะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที ในรูปประทัดนั้นมีกายายตนะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในรูปประทัดนั้นมีโพธพายตนะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในรูปประทัดนั้นไม่มีคันทาย <friendly> ตนะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในรูปประทัดนั้นไม่มีคานายตนะใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในรูปประทัดนั้นไม่มีรสายตนะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในรูปประทัดนั้นไม่มีชิวหายะตนะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในรูปประทัดนั้นไม่มีโพธพายตนะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที ในรูปประทัดนั้นไม่มีกายายตนะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้ายี่สิบกวาทีในรูปประทัดนั้นมีจักรายตนะและรูปายตนะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในรูปประทัดนั้นมีคารายตนะและคันทายตนะใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในรูปประทัดนั้นมีจักรายะตนะและรูปายตนะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในรูปประทัดนั้นมีชิวหายตนะและรัสายตนะมีกายายะตนะและโพธพายตนะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที ในรูปประทาดนั้นมีโสตาย ต, ตนะและสัทธายตนะมีมนายตนะและธรรมายตนะใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีในรูปประทัดนั้นมีคานายตนะและคันทายตนะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีในรูปประทัดนั้นมีมนายตนะและธรรมายตนะใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีในรูปประทัดนั้นมีชิวหายาตนะและรัศายตนะมีกายายตนะและโพธพายตนะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในรูปประทัดนั้นมีคานายาตนะแต่ไม่มีคันทายาตนะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที ในรูปประทาศนั้นมีจักขายัตนะแต่ไม่มีรูปายัตนะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในรูปประทาดนั้นมีคานายัตนะแต่ไม่มีคันทายัตนะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในรูปประทาดนั้นมีโสตายัตน ะ, ร ะ, ระ ills, แต่ไม่มีสัทธายัตน ะ, ระ มีมนายาตนะแต่ไม่มีธรรมายาตนะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในรูปประทานนั้นมีชิวหายาตนะแต่ไม่มี ร, รัษายาตนะมีกายายาตนะแต่ไม่มีโพัพายาตนะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในรูปประทานนั้นมีจักขายาตนะแต่ไม่มีรูปรายาตนะใช่ไหม ประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีในรูปประทัดนัน้นมีกายายตนะแต่ไม่มีโพัพายตนะใช่ไหมประวาทีใช่สักกวาทีในรูปประทัดนั้นมีโสตายตนะแต่ไม่มีสัทายตนะมีมนายตนะแต่ไม่มีธรรมายตนะใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 521. ยสักวาทีในรูปประทาดนั้นมีจักรายัตนะและรูปายัตนาะบุคคลเห็นรูปนั้นทางตาใช่ไหมประวาทีใช่สักวาทีในรูปประทาดนั้นมีคานายัตนาะและคันทายัตนาะบุคคลดมกลิ่นนั้นทางจมูกนั้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที ในรูปประทาดนั้นมีจักขายัตนะและรูปายัตนะบุคคลเห็นรูปนั้นทางตาใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในรูปประทาดนั้นมีชิวหายัตนะและรส า, ายตนะบุคคลลิ้มรสนั้นทางลิ้นมีกายายัตนะและโพธพายาตนะบุคคลถูกต้องโพธะนั้นทางกายใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ศักวาทีในรูปประทัดนั้นมีโสตายตาและศรัทธายตนะมีมนายตนะและธรรมายตนะบุคคลรู้ธรรมารมณ์นั้นทางใจใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีในรูปประทัดนั้นมีคานายตาและคันธายาตนะบุคคลดมกลิ่นนั้นทางจมูกใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที ในรู ป, ปราธาตุนั้นมีมานายตนะและธรรมายตนะบุคคลรู้ธรรมารมณ์นั้นทางใจใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในรู ป, ปราธาตุนั้นมีชิวหายตนะและราสายตนะมีกายายตนะและโพธพายตนะบุคคลถูกต้องโพธพะนั้นทางกายใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที ในรูปประทาดนั้นมีคานายตนะและคันทายตนะแต่บุคคลไม่ได้ดมกลิ่นนั้นทางจมูกใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีในรูปประทาดนั้นมีจักขายตนะและรู ป, ปายตนะแต่บุคคลไม่เห็นรูปนั้นทางตาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที ในรูปประทัดนั้นมีคานายตนะและคันทายตนะแต่บุคคลไม่ได้ดมกลิ่นนั้นทางจมูกใช่ไหมปรวาทีใช่ส ก, กวาทีในรูปประทัดนั้นมีโสตายตนะและศัทธายตนะมีมานายตนะและธรมายตนะแต่บุคคลไม่รู้ธรรมรมนั้นทางใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาธีในรู ป, ปราธาตุนั้นมีชิวหายาตนะและรัศายาตนะมีกายายตนะและโพธพายาตนะแต่บุคคลไม่ถูกต้องโพธพะนั้นทางกายใช่ไหมประวาทีใช่สกวาธีในรู ป, ปราธาตุนั้นมีจัคหายาตนะและรูปายาตนะแต่บุคคลไม่เห็นรูปนั้นทางตาใช่ไหมประวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส ก, กวาทีในรูปประทัดนั้นมีกายายตนะและโพธพายตนะแต่บุคคลไม่ถูกต้องโพธพานั้นทางกายใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธี ใ, กกาในรูปประทัดนั้นมีโสตา ย, ายตนะและสัทธายตนะมีมนายตนะและธรรมายตนะแต่บุคคลไม่รู้ธรรมารมณ์นั้นทางใจใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น522รสกวาทีในรูปประาธาตนั้นมีคานายตนะและคันทายตนะบุคคลดมกลิ่นนั้นทางจมูกใช่ไหมประวาทีใช่ส ก, กวาทีในรูปประาธาตนั้นมีกลิ่นที่เกิดจากพราคเกิดจากแกน่นเกิดจากเปลือกเกิดจากใบเกิดจากดอกเกิดจากผลมีกลิ่นคาว กลิ่นฉุนกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในรูปประทัดนั้นมีจิวหายตนะและรัศายตนะบุคคลลิ้มรสนั้นทางลิ้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในรูปประทัดนั้น มีรสที่เกิดจากรากเกิดจากลำต้นเกิดจากเปลือกเกิดจากใบเกิดจากดอกเกิดจากผลมีรสเปรี้ยวรสหวานรสขมรสเผ็ดรสเค็มรสเผารสหวานอมเปรี้ยวรสฝาดรสกลมกล่อมรสไม่กลมกล่อมใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในรูปประทัดนั้น มีกายายตนะและโพธพายตนะบุคคลถูกต้องโพธพะนั้นด้วยกายนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่ส ก, กวาทีในรู ป, ปราธาตุนั้นมีสัมผัสที่แข็งอ่อนละเอียดหยาบสบายไม่สบายหนักเบาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น523ยปรวาที ท่านไม่ยอมรับว่าอัตภาพที่ประกอบด้วยอายตนะหกมีอยู่ในรูปประทัดนั้นใช่ไหมักวาทีใช่ปรวาทีในรูปประทัดนั้นมีคาณิมิตชิวหานิมิตและกายานิมิตมีใช่หรือจักวาทีใช่ปรวาทีหากในรูปประทัดนั้นมีคาณิมิตชิวหานิมิต และกายนิมิตดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าอัตภาพที่ประกอบด้วยอายตนะหมีอยู่ในรูปประธาตรูปประธาตุยาอายตนะกถาจบ 8. อรูปเปรูปก 80, ประถา80ว่าด้ยวยเดรูปในอรูป524สกวาทีในอรูปประพบรูปมีอยู่ใช่ไหม ปรวาทีใช่สักวาทีอรูปภพนั้นเป็นรูปภพที่มีรูปเป็นคติที่มีรูปเป็นสัตวะเป็นสัตตาวาที่มีรูปเป็นสงสารที่มีรูปเป็นกำเนิดที่มีรูปเป็นการได้อัตภาพที่มีรูปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีอรูปภพนั้นเป็นภพที่ไม่มีรูป เป็นกติที่ไม่มีรูปเป็นสัตาวาที่ไม่มีรูปเป็นสงสารที่ไม่มีรูปเป็นกำเนิดที่ไม่มีรูปเป็นการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากอรูปประพบนั้นเป็นพบที่ไม่มีรูปเป็นการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าในอรูปประพบรูปมีอยู่สกวาที ในอรูปภพรูปมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่ส ก, กวาทีอรูปภพนั้นเป็นภพที่มีขันห้าเป็นคติเป็นสัตตาวาตเป็นสงสารเป็นกำเนิดเป็นวิญยาณติติเป็นการได้อัตภาพที่มีขันหา้าใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส ก, กวาทีอรูปภพนั้นเป็นภพที่มีขันสี่ เป็นการได้อัตภาพที่มีขันธ์สี่มิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากอารูปประพบนั้นเป็นพบที่มีขันธ์สี่เป็นคติเป็นการได้อัตภาพที่มีขันธ์สี่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าในอรูปประพบรูปมีอยู่5้ายยี่สิกวาทีในรูปประธาต์รูปมีอยู่ และรูปธปาตุนั้นเป็นภพที่มีรูปเป็นคติที่มีรูปเป็นสัตตวะที่มีรูปเป็นสงสารที่มีรูปเป็นกําเนิดที่มีรูปเป็นการได้อัตภาพที่มีรูปใช่ไหมปรวาทีใช่สกกวาทีในอรูปประภพรูปมีอยู่และอรูปประภพนั้นเป็นภพที่มีรูปเป็นคติเป็นการได้อัตภาพที่มีรูปใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในรูปประธาต์รูปมีอยู่แล้วรูปประธาต น, นเป็นภพที่มีขันห้าเป็นคติเป็นการได้อัตภาพที่มีขันหา้าใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในอรูปประภพรูปมีอยู่และอรูปประภพนั้นเป็นภพที่มีขันหา้าเป็นคติ เป็นการได้อัตภาพที่มีขันห้าใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในอรูปภพรูปมีอยู่และภพนั้นเป็นภพที่ไม่มีอรูปเป็นกติที่ไม่มีรูปเป็นสตาวาทที่ไม่มีรูปเป็นสงสารที่ไม่มีรูปเป็นกําเนิดที่ไม่มีรูปเป็นการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปใช่ไหมปรวาที ใช่ส <ersch> ักวาทีในอรูปประธาตรูปมีอยู่และอรูปประธาตนเป็นภพที่ไม่มีรูปเป็นคติที่ไม่มีรูปเป็นการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีในอรูปประภพรูปมีอยู่และอรูปประภพนั้นเป็นภพที่มีขันธ์สี่เป็นคติ เป็นการได้อัตภาพที่มีขันธ์สี่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในอรูปธาตุรูปมีอยู่และอรูปธปาตุนั้นเป็นภพที่มีขันธ์สี่เป็นกติเป็นการได้อัตภาพที่มีขันธ์สี่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น5้ายยี่สกสกวาทีในอรูปภพรูปมีอยู่ใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีการสาลัดออกจากรูปพ <ivot> ระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอรูปมีใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากการสาลัดออกจากรูปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอรูปท่านก็ไม่ควร ย, ยอมรับว่าในอรูปพบรูปยังมีอยู่สกวาทีการสาลัดออกจากรูป พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอรูปโดยมีพระประสงค์ว่าในอรูปประพบรูปยังมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่จักกวาทีการสลัดออกจากกามพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นเนกขมมะโดยมีพระประสงค์ว่ากามยังมีอยู่ในเนกขมมะอาสะวะยังมีอยู่ในอนณาสะวะ โลกีธรรมยังมีอยู่ในโลกุตรธรรมใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอรูเปรูปกถาจบเการูปังกรรมมันติกถาแปดสิบเอ็ดเพราด้วยรูปเป็นกรรมห้าอยี่สิบเจ็ดสกวาทีรูปที่เป็นกายกรรมที่เกิดขึ้นในจิตที่เป็นกุศลเป็นกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่ สักวาทีรูปที่เป็นกายกรรมเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความผูกใจมีความสนใจมีความใฝ่ใจมีความจงใจมีความปรารถนามีความตั้งใจใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีรูปที่เป็นกายกรรมเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้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 รูปที่เป็นกายกรรมที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นกุศลเป็นกุศลสักวาทีภัสสาที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นกุศลเป็นกุศลรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปราวาทีใช่สักวาทีรูปที่เป็นกายกรรมที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นกุศลเป็นกุศล รับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล้าวอย่างนั้นสกวาทีเวทนาสัญญาเจตนาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นโดยจิตที่เป็นกุศลเป็นกุศลรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหม ปราวาทีใช่สักวาทีรูปที่เป็นกายกรรมที่เกิดขึ้นในจิตที่เป็นกุศลเป็นกุศลรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปที่เป็นกายกรรมเกิดขึ้นในจิตที่เป็นกุศลเป็นกุศลรับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึง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 รัายตนาะโพธายตนาะปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาต์ที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นกุศลเป็นกุศลใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปายตนะที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นกุศลเป็นอัพยกฤตใช่ไหมประวาทีใช่ สักวาทีรูปที่เป็นกายกรรมที่เกิดขึ้นในจิตที่เป็นกุศลเป็นอัพยากระดใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีสัทธายตนะคันธายตนะรัศยตนะโพทพายตนะปัตวีธาติอาโปธาติเตโชธาติวายโยธาติที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นกุศล เป็นอพยากฤรใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีรูปที่เป็นกายกรรมที่เกิดขึ้นในจิตที่เป็นกุศลเป็นอภยกากฤรใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น529ร้สิกกวาทีรูปที่เป็นกายกรรมที่เกิดขึ้นในจิตที่เป็นกุศลรับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นกุศลใช่ไหม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 คันทายตนระรัสายตนะโพธพายตนะปัทวีธาติอาโปธาติเตโชธาติวายโธาติที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นกุศลรับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นกุศลใช่ไหมประวัติไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสั ก, กวาติรูปลายตนะที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นกุศลรับรู้อารมณ์ไม่ได้ เป็นอัพยาการิทใช่ไหมปรวาทีใช่ส ก, กวาทีรูปที่เป็นกายกรรมที่เกิดขึ้นโดยจิตที่เป็นกุศลรับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นอัพยาการิทใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส ก, กวาทีสัทธายตนะคันธายตนะบรษายตนะโพธพาญตนะปัตวีธา อ า, ป า, า, ปาโปธาตเตโชธาตวาโยธาตที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นกุศลรับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นอัพยากฤะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปที่เป็นกายกรรมที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นกุศลรับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นอัพยกฤะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าร้อยสาสิบ ักวาธีรูปที่เป็นกายกรรมที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นกุศลเป็นกุศลที่วิปยุตจากผัสสะใช่ไหมประวาทีใช่ักวาธีรูปายตนะที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นกุศลเป็นกุศลที่วิปยุตจากผัสสะใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาธีรูปที่เป็นกายกรรม ที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นกุศลเป็นกุศลที่วิปยุตจากผัสสะใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีสัทธายตนะคันธายตนะรัายตนะโพธพายตนะปัตวีธาต์อาโปธาต์เตโชธาต์วาโยธาต์ที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นกุศลเป็นกุศลที่วิปยุตจากผัสสะใช่ไหมปราวาที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 ที่วิปยุตจากผัสสะใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น531อสเกวาทีรูปที่เป็นกายกรรมที่เกิดขึ้นในจิตที่เป็นกุศลรับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นกุศลที่วิปยุตจากผัสสะใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีรูปปายตนาที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นกุศลรับรู้อารมณ์ไม่ได้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 ราศาัศยตนะโพธพายตนะปตวีธาตอาโปธาตเตโชธาตวาโยธาตที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นกุศลรับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นกุศลที่วิปยุตจากพัตตะใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปายตนะที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นกุศลรับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นอัพยกริ ที่วิปยุตจากผัสสะใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีรูปที่เป็นกายกรรมที่เกิดขึ้นโดยจิตที่เป็นขุศลรับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นอัพยากริตที่วิปยุตจากผัสสะใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีศัทธายตนะทันทายตนะรัศายตนะโพธพาายตนะ ปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นกุศลรับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นอัพยากฤรที่วิปยุจจากผัสสะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปที่เป็นกายกรรมที่เกิดขึ้นในจิตที่เป็นกุศลรับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นอัพยกฤรมีที่วิปยุจจากผัสสะใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น532รักยกวาทีรูปที่เป็นวจีกรรมที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นกุศลเป็นกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีรูปที่เป็นวจีกรรมเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สักวาทีรูปที่เป็นมจีกรรมเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจมิใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีหากรูปที่เป็นมจีกรรมเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ารูปที่เป็นมจีกรรม ที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นขุศนเป็นขุศน์สกวาธีพัสสาที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นขุศนเป็นขุศนรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาธีรูปที่เป็นบจีกรรมที่เกิดขึ้นในจิตที่เป็นขุศนเป็นขุศลรับรู้อารมณ์ได้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 รูปที่เป็นมจีกรรมที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นกุศลเป็นกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่จั ก, กวาทีรูปที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นกุศลทั้งหมดนั้นเป็นกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นพึงอธิบายรูปที่เป็นมจีกรรมให้พิจารณาเหมือนรูปที่เป็นกายกรรม53าสา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 ัาษะที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นอกุศลเป็นอกุศลรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปที่เป็นกายกร ร, รมที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นอกุศลเป็นอกุศลรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น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 ไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปที่เป็นกายกรรมที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นอกุศลเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่รูปที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นอกุศลทั้งหมดนั้นเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห3 4รัอยามสีกวาที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 ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีรูปที่เป็นมจีกรรมที่เกิดขึ้นในจิตที่เป็นนกุศลเป็นนกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่สกาวาทีรูปที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นนกุศลทั้งหมดนั้นเป็นนกุศนใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น535ร้อสกวาทีรูปที่เป็นมจีกรรมที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นนกุศล เป็นอกุศลใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีรูปายตะนะที่เกิดขึ้นด้วยจิต irim, ที่เป็นอกุศลเป็นอกุศลใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปที่เป็นมจีกรรมที่เกิดขึ้นด้จิตที่เป็นอกุศลเป็นอกุศลใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีศัทธายตนะคันธายตนะ รสายะตนะโหทพายตนะปัทวีธาติอาโปธาตเตโชธาติวายโยธาอตออสุจิน้ำตาโลหิตเงื่อที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นอกุศลเป็นอกุศลใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส ก, กวาทีรูปายะตนะที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นอกุศลเป็นอัพยากริตใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีรูปที่เป็นเวทีกรรมที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นอกุศลเป็นอภพยากิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีศัทธาญตนะคันธายตนะรัายตนะโพธพายตนะปฐวีธาติอาโปธาติเตโชธาติวาโยธาติอตุจิน้ําตาโลหิต เงื่อที่เกิดขึ้นได้จิตที่เป็นอกุศลเป็นอัพยกฤตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปที่เป็นวจีกรรมที่เกิดขึ้นได้จิตที่เป็นอกุศลเป็นอัพยากฤะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น536สกวาทีรูปที่เป็นวัจีกรรมที่เกิดขึ้นได้จิต risk, ที่เป็นอกุศลรับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นอกุศลใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีรูปายตนะที่เกิดขึ้นโดยจิตที่เป็นอกุศลรับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปที่เป็นวัญญกรรมที่เกิดขึ้นโดยจิตที่เป็นอกุศลรับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีศัทธายตนะ คันทายตนะระสายตนะโอทพายตนะปฐวีธาตอาโปธาตเตโชธาตวายโธาติอสุจิน้ำตาโลหิตเงือ่อที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นอกุศล ร, รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นอกุศลใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปายตนะที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นอกุศล ปรับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นอภยกากฤตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปที่เป็นบัจจิก ร, รมที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นอกุศลป ร, ปรับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นอภยกากฤรใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัทธายตนะคันทายตนะรัสายตนะโพธพายตนะปัตวีธาต์อาปโปธาต์เตโชธาต์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 รูปท anyway right? right? ี่เป็นวจีกรรมที่เกิดขึ้นในจิตที่เป็นอกุศลเป็นอกุศลที่วิปยุจจากผัสสะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปายตนาที่เกิดขึ้นในจิตที่เป็นอกุศลเป็นอกุศลที่วิปยุจจากผัสสะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปที่เป็นวจีกรรมที่เกิดขึ้นในจิตที่เป็นอกุศล เป็นอกุศลที่วิปปยุตจากผัสสะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัทธายตนะคันทายตนะบระสายตนะโอทพายตนะปัตวีธาตอาโปธาตเตโชธาตวาโยธาตอสุจิน้ำตาโลหิตเหื่อที่เกิดขึ้นได้จิตที่เป็นอกุศลเป็นอกุศลที่วิปปยุตจากผัสสะใช่ไหม ประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีรูปายตนาที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นอกุศลเป็นอัพยากฤิที่วิปยุตจากผัสสะใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีรูปที่เป็นมจีกรรมที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นอกุศลรับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นอัพยากฤิที่วิปยุตจากผัสสะใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาธีสัทธายตนะคันธายตนะประสายตนะโหตพายตนะปทวีธาตอาโปธาตเตโชธาตวายโยธาอสุจิน้ำตาโลหิตเงือที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นอกุศลรับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นอบพยากฤตที่วิปยุตจากภัสใช่ไหมปรวาธีใช่สกวาธี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 รสษาย า, าตนะโหทพายตนะปัทวีธาติอาโปธาติเตโชธาติวายธาติอตุจิน้ำตาโลหิตเหงื่อที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นอกุศลรับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นกุศเป็นอกุศลที่วิปยุจจากภาัตตใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปายัตนะ ที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นอกุศลรับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นอัพยากฤตที่วิปยุตจากภัตฐใาา์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปที่เป็นวจีกรรมที่เกิดขึ้นด้วยจิต Maori, ที่เป็นอกุศลรับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นอัพยากฤิตที่วิปยุตจากภัตตะใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีศรัทธายตนะ คันทายตนะรส า, ายตนะพทธพายตนะปัตวีธาติอาโปธาติเตโชธาติวายโยธาติอตุจิตน้ำตาโลหิตเหงื่อที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นอกุศลรับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นอัพยกากุทที่วิปยุตจากพรรษะใช่ไหมประวาทีใช่สกวาที รูปที่เป็นวจีกรรมที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นนกุศลรับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นอัพยากริที่วิปยุตจากภาัสะใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น538ปราวาทีท่านไม่ ย, ยอมรับว่ารูปเป็นกุศลก็ได้เป็นนกุศลก็ได้ใช่ไหมักวาทีใช่ปราวาทีกายกรรมวจีกรรมเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ไมิใช่หรือ สกวาทีใช่ปรวาทีหากกายกรรมมจีกรรมเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ารูปเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้สกวาทีรูปเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีจากกายตนะเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สักวาทีรูปเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ใช่ไหมปราวาทีใช่สักวาทีโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะรูปายตนะสัทธายตนะคันทายตนะแรษายตนะโพธพายตนะปทวีธาติอาโปธาติเตโชธาติวาโยธาติอตุจิน้ำตาโลหิตเงือ่ เป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกายเป็นรูปกายกรรมก็เป็นรูปใช่ไหมประวาทีใช่มโนเป็นรูปสกวาทีมโนเป็นรูปมโนกรรมเป็นรูปใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมโนเป็นนามมโนกรรมก็เป็นนามใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีกายเป็นนามกายกรรมก็เป็นนามใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกายเป็นรูปแต่กายกรรมเป็นนามใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมโนเป็นรูปแต่มโนกรรมเป็นนามใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที มโนเป็นนามมโนกรรมก็เป็นนามใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกายเป็นนามกายกรรมก็เป็นนามใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกายเป็นรูปเพราะเหตุนั้นกายกรรมจึงเป็นรูปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจักขายุตตระเป็นรูปเพราะเหตุนั้นจักขูวิญญาณจึงเป็นรูปใช่ไหม ประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกลายเป็นรูปเพราะเหตุนั้นกายกรรมจึงเป็นรูปใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีโสตวิญญาณจึงเป็นรูปใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกลายเป็นรูปเพราะเหตุนั้นกายกรรมจึงเป็นรูปใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาทีคานายตานะเป็นรูปเพราะเหตุนั้นคานวิญญาณจึงเป็นรูปใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกายเป็นรูปเพราะเหตุนั้นกายกรรมจึงเป็นรูปใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีชิวหายตานะเป็นรูปเพราะเหตุนั้นชิวหาวิญญาณจึงเป็นรูปใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกายเป็นรูปเพราะเหตุนั้นกายกรรมจึงเป็นรูปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกายายตนะเป็นรูปเพราะเหตุนั้นกายวิญญาณจึงเป็นรูปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น539สกวาทีรูปเป็นกรรมใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีประสู ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพิจิุทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นตัวกรรมบุคคลคิดแล้วจึงกระทำกรรมด้วยกายวาจาใจมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่ารูปเป็นกรรมสกวาทีรูปเป็นกรรมใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาธีพระสูตรที่พระพุทธมีพระภาคตรัสไว้ว่าอ น, อนนลเมื่อกายมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในจึงเกิดขึ้นเพราะกายสัญเจตนาหมายถึงความจงใจทางกายเป็นเหตุหรือว่าเมื่อวาจามีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในจึงเกิดขึ้นเพราะวจีสันเจตนาหมายถึงความจงใจทางวาจาเป็นเหตุ หรือว่าเมื่อใจมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในจึงเกิดขึ้นเพราะมาโนสัญเจตนาหมายถึงความจงใจทางใจเป็นเหตุมีอยู่จริงมิใช่หรือปร ว, รวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่ารูปเป็นกรรมสกวาทีรูปเป็นกรร ม, รรปปรรมใช่ไหมปร ว, รวาทีใช่สกวาทีพระสูตร ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายกายสัญเจตนาสามอยา่างเป็นกายกรรมฝ่ายอากุศลมีทุกขเป็นกรรมไรมีทุกขเป็นวิบากวัจีสัญเจตนาสี่อย่างเป็นวัจจีกรรมฝ่ายอกุศลมีทุกขเป็นกรรมไรมีทุกเป็นวิบากมโนสัญเจตนาสามอย่างเป็นมโนกรรมฝ่ายอกุศลมีทุกขเป็นกรรมไร มีทุกเป็นวิบากพิกตุทั้งหลายกายสัญเจตนาสามอย่างเป็นกายกรรมฝ่ายกุศลมีสุขเป็นกําไรมีสุขเป็นวิบากวัจีสัญเจตนาสี่อย่างเป็นวัจกรรมฝ่ายกุศลมีสุขเป็นกําไรมีสุขเป็นวิบากมโนสัญเจตนาสามอย่างเป็นมโนกรรมฝ่ายกุศลมีสุขเป็นกําไรมีสุขเป็นวิบาก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 บุคคลทำกรรมที่ประกอบด้วยความจงใจทางกายทางวาจาและทางใจอันให้ผลเป็นอทุกขมัดสุขย่อมเสเวยผลเป็นอทุกขมัดสุขอานอน์โมคบุรุษนามว่าสมิทธิเมื่อตอบอย่างนี้ชื่อว่าตอบโดยชอบแก่ปาตลีบุตรปริภาชกมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาที ดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่ารูปเป็นกรรมรูปังกรรมมันรูปังกรรมมันติกฐาจบ